พระธรรมเตสนามโหสถจาดดจอมปราดแห่งมิถิลาภูกติสิบเอ็ดฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปราให้ฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชุมพูปเปลี่ยนทามุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจาจวัดเชียงไายนโม ตัดซาภะกวาตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสามมาราตาสิโยอนาเปตวติสัตวูราสปุริตตังาย ตั้งนิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาสาอมมาราดังนี้เป็นตนบัตนีแด่เตอ <c oughs> สาอมมาราส่วนวานางอมมารานอเ น, า, นาภาริญาเจ้านอโพทิญานกันนัด อาจารย์ตั้งสีเฮอแม่นตีจำายคือบอกเฮือเขาตั้งลายนั่นใสมาตัดไข่ยามเดียวก็เฮือคนเร็วแต่งใจยังนางน้อยใหญ่านารีคุดคุมดีดาวไว้ตีจิมไกเกหาึกสองว่าเป็นหมอกว้างสามซอกเป็นไม้ เอาอาจมลายเก่าไม่ขนลงใส่นำนาตักนำมาลงใส่ฮือเล็กใดเพียงคอนางสอบอหน่อยนาดก่อเฮือเอาศาสตร์ลายแสงเป็นของแป้งก้าใหญ่ตืดปากคุมม้มใบดูดีให้นำมีตังไว้ดอกมะลิใส่เป็นสายนำหอมลายยะยอด ฟาควายจอดจู่ไปข้าพวงดอกใหญ่หอยน้อยตกแต่งซอยงามตาเอาเป็นนากว้างใหญ่ไก่บินไวไไน้ภายในแล้วจะใครบอกเล่าหื้อนั่นดอเล่าตาเสีเอาตนนี้ลี่ซ่อนไปอยู่บนไก่ตานังโซฟากินกูแสงนั่งอยู่เดียวดายและนะ้า ยามตาวันดาตกต่อเจนักกายอดอาจารย์มีใจบ้านจื่นโซ่ม ม, มึกอยู่ในใจก่อเร็วไวดันสอดพดุมารอดเกหานังโซภาน้อยอ่อนก่อไปรับตอนเร็วไวแสงจะไขเก่าถ อ, อยด้วยกำอ่อนอ้ อ, อยนานา แล้วรีบจะบอกเราว่าขอพี่เจ้าใสา่ใจจุงรีบไปอับนำจำระพมกาญยาแล้วรีบมาสู่ห้องอยู่กับน้องบัดเดียวนางจะเลวเกาวจี้ฮือหูตีต่างไปเสนากะใจจืดเยา้รีบฟังเฝ้าพันาย บอกกฏหมายขะนิ่งขวาดลวดยำป่าลาตกจมลงสามงมต่ำไตอาจมติดไข่ตั้งตัวซาลีนางยิงติดไว้แล้วแต่งใหม่เร็วไว้ทัดดันไปแถมเหล่านักผัดเก่าปักกุตะอาจารย์ก็อจากสถานตีอยู่ เข้ามาสู่เหือนนางสลีคิงบางน้อยอ่อนก่อฮับตอนบัดเดียวแล้วรีบเรียวจุหล่อฮือตกบ่ออาจมต่างสามงุ่มทำเหล่าว่าเป็นเชื้อเผาได้จ้าพองว่าไัยตกมาใส่ข้าพองว่าไัยมาก่อนหน้าือนนาน ต่างจากาตามสื่อบอกยังจื่อไผ่มันสิรีสุพันบุญใหญ่ก่อตึดไว้เร็วไวทัดนันไปบ่จานักพาตบาปกากาบินยินอาจินือตรอดถึงนางยอดโสภาตัดเวลานัดไว้ ตามนางดาไทายปันมมยก็พันพายริพาวมาสู่ดาวหอนางสลีคิ้งบางยอดซอยแสงกาวทอยปิญญาออกปากจาจุหลอเือตกลงบอเป็นสามคนตกเกาทามบอเจ้าว่าไัยตกวตกว่าต้วมา คนไม่จะทำเล่าว่าไพ่ตกอยู่เก่าตนกู้ต่างยอมจู้ตามซื่อบอกยังจื่อตามมีนางชมสีตึดไว้แล้วแต่งใหม่ดีงามกันมาชีมานยำมารอดอาจารย์ใบบอดเทวินก่อยกตินย่อยยองมารอดห้องไปใน สีดงไว้ยอดซอยแสงกกาวถอยปีญ่าแล้วก็จ่าจุลหื้อตกบ่อบัดเดียวแล้วรีบเร็วตึดไว้บ่หื้อออกใดตั้งใดหือคนใดแกวันใจเฝ้าอยู่ไกลใหญ่ใหญ่นักผาดลายตั้งสี่ยืนยัดหนี่จอมกันเจ็บแสบคันหลายลาก็ขึ้นอยากจักเก่า วัวปอเมาวันเวิร์งยืนตะเกิงเจ้าจุมอยู่ในขุมนำเนาถึงเมื่อเจ้ายำง่ายก็มีฮันและนะกันวันลุนรุงเจ้านาั่งดอเน่นาบุญพายก็คึ้น้าใจน้อยใหญ่อันแกว่นใจกะตำการนำอาจารย์ตั้งสี ออกจากตีอาจมฮือขูดผมจูพผู้บอข้างอยู่คนใดฮือคัดสีไข่าอาบน้ำไข่เสียงซ้ำกาญญาเอาน้ำเข้าต้มตาโลบไล่ลมดเสียงไข่อินทีเอาปุ๋ยสำลีพุกใส่เต็มเสียงไข่กาญญา เอาศาสตร์กาะละพื้นใหญ่หอมัดไข่จูคนคนืฮปารีวัตตนรีพาวหำไปถวายเต้าปุรีนางโชมสีนอเน า, ตตาเตียวไตเตานำตั้งถึงหอควางภาษาตีห้องราตรงกันก่อพอิวันกมเกา่า ว่าขกแดดเต้าเจ้าผู้บ้านข้าขอถวายปันนการนี่ไววแกเต้าไทยผู้มีขอเจ้าปุรีแกพออแจ้งต่อสายตาเจ้าปารบาบอิจาคือแก่ต่อหนาเรียวไว้แล่พอไปจูผู้ปอบอูเป็นคน ดังบอกไพรสนตัวเพือกนอนกิ้งเกือกไปมาคนนำหนาม่วนหมูกาอันอยู่โรงกันต่างปะกันโหเศร้าสนันนดาวหอในเจ้าหอใจทำเลาว่าเป็นเชื้อเผาเจ้าได้เขาก็ใครน้อมไว้บอกเต้าไทายจูพากาน นางนงคันยอดซอยงามจื่จ้อยอัมมาราภูมิพระยาองค์อาจจบฉลาตเตื่อลายกอทุนถาวายน่อมไว้ว่าขราแด่เต่าไทายภูมิอันว่าก้วอจุฬามณาีนั้นเล่านักผัดเก้าเซนักอาจารย์มีใจหานรักยง หอกจากห้องหอในใส่หมอนมไปบ่อจ้าขายังเฮือนคาดีดีดอกคำดีนั่นสดปกุตะโหดนำไปเกิบคำใส่กามากามินหากเป็นโจรพากำปมผกาใหญ่เตวินใจไปขาไื้ตาสีลายนั่นใส่ ข้าแต้มไว้ดีงามถึงวันยามพ่อแม่ข้าแต้มไว้แน่เป็นไมายขอเต้าบุญภัยยศใหญ่ปิจาราณาไขยตามมีนางชมเสียน้อยนาดกก่าเสียงขาดสุดปลายยืนสารท้าไหวริพ้าแก่ตันเต้าผู้บ้านคืนของสีภาการก้าใหญ่แก่เต้าไทยบัดเดียว แล้วรีเรีอวบอจ่าลาเจ้าฝ้าผู้บ้านป่าปริวานวนหมู่ปอกขึ้นสู่เกหาเจ้าปาราวิเตหาราตรอนไม่มาดเหลือใจจักจ่าใครออกปากยินลำบากนานํำยอดนอคุณทำยอดซอยคือเจ้านัดน้อยมโหสุกุ ม, มาร ก็จากสถานที่สอนบอกบ่อนตั้งไปจักเร็วไว้ตกใส่ยังโตดใหญ่ฮึกหานแก่อาจารย์ตั้งสีก่อนยากกล่อมตีนํานายามมีปัญหามาตองไดนแห่งห้องหอระไทยจักบอมีไพ่มาแกเฮือแจ้งแน่ตามมี เจ้าปุริยดใหญ่คนิ่งิงไข่ไฟมากก็มีอาถาปพงขาดเฮือสีนักผาดอาจารย์ปนตั้งผ่านไร่โหดบ่เอาตอดคนใด้ฮือเร็วไวขึ้นสูญังที่อยู่ไฟมันก็มีฮั่นแลยนะ อาทาในกาลนันเล่ายังมีเตวดาเจ้าบุญนาอยู่รักษาชัดไงแห่งเต้าไทยห่อคำเคยฟังธรรมบอกขาดยำเจ้าน้อยนาดบุญนาได้ไขจ่าต่อถอยกับเต้าหยอดซอยผูมีน้ำหนองมุนีหายจาก นลาภาคไายตาเทวดาบุญใหญ่ดวดบ่อได้ฟังทมตั้งคนน่านำน้อยใหญ่ก่ อ, อขืดไข่คนิงหาเทวดาบุญกว้างจะคือเจ้าจังห่อใจเรียบเรียวไวส้สอดนนำเจ้ายอดบุญดาปอกขึ้นมาตีเก่าสะเวยสุขเล่าสองตี สนร้อยที่มารอเทวดายอดบุญ น, นากส็สำแดงกาญะต่อนาแห่งเจ้าฟ้าหัวใจไข่กำไปทำเราวาดุราเต่าเจ้าปาราคนจำพวกหนึ่งนันนาตีต่อยเงี้ยบ่อน้อยไหลาภาการป้อยเป็นที่เจยบานจมจื่น แ่ผู้อื่นยิง่งใจตั้นจุงมายก่าวแกว่าได้แก่คนได้บทถัดไปไปนาคนผู้ดาจำนีจาบอดีแต่ปากซ้ำหักมากเหลือใจจักเป็นภัยนั่นเล่าจุงบอกเล่ามาปั่นพวกนึ่งไข่ปั่นก่าวถอยด้วยกำถอยมุสา ซ้ำหักนำนากว่าเก่าได้แก่ภัยเล่าไข่มาพวกหนึ่งนั้นน้าต่างนาเอาของกว่านี่ไก่ตั้งปัดใหญยเขานำเจ้าของซ้ำดินดีไข้เฮาอดีจจใจคือหากใดคนใด เต้าจุงไข่เกาเจี้ืฮ่แจ้งทีหันใส่กันบ่อไข่เกาอูาหืฮ่เฮาูหตามไรตเต้าเตียงายความนาบ่อเดินจ้าดีลีเจ้าปุรียอดใหญ่ฟังเสียงไข่ปัญหาตันผญญาญะลายแหล่บ่อจ้างแก่สันใด จิงไข่กำไปตอบเราว่าคาแดเจ้าเตาว่าดา้ปัญหานีนา้นะอยากแก้าบ่ออาจแก้ไขปัน <c oughs> ขอถึงวันพวกเจ้าจัะทมนักผาเจ้าตั้งลายกันเข้าวถาวายกล่าวแก้หื้อแจ้งแหน่สันได้คาจักไขบอกเรา แก่เทวดาเจ้าตามีกันเจ้าปุริทิราชกก่าเสียงขาดสุดปลายเทวดาก็หายต่อนาบ่ได้จ่าบัดเดียวเลยนะวูนอาทตวะเสกันวันลุนรุงเจ้าเต้าเป็นเจ้าวิเตหาราชก่อห้คนต่างตาแควันใจ ผูหูไข่สับาการไปเรียกอาจารย์สีเทาหือมาเฝ้าเร็วไว้คนเตรียมใจกวนใจรีบซาใสา่ไปปันป่นแล้วเอาปั่นกาวูฮือเขาหูราชจะองค์การจุ่มอาจารย์ตั้งสีก็กล่าวจีตามไามยว่าตูตั้งลายนิไส หัวหมดไข่จูคนคนจักจ่กเคลื่อนตนเตียวต้องไปตามจ้องมักกาคนนำนาหน่อยใหญ่จักไข่หัวใสนินอายขอตาบุญภายยศใหญ่อดยังไว้รอราคนต่างตาผู้แก่นก็รีบแล่นมาปั่นอภิวันกมเก้าบอกเต่าเจ้าตามมี เจ้าปุริธิราชก็เฮ อ, อามา์ผู้มีพระญาพิจารณาเกิดไข่แป้งหมวกซุปใสเดียวไวแล้วส่งไปบอกเราว่าบัดนี้เต้าเจ้าผู้บ้านเื อ, อาจารย์ผู้ใหญ่เอาหมวกใสซุบหัวบ่อท้ากลัวไผ่หูรีไปสู่หอจัน ด้วยเร็วปั่อยาจ้าตามเจ้าฝ้าปันไมยอาจารย์ลายทั้งสีบมีใจกี่สมมนัทสาเอาหมวกมาซุบใจบ่ฮือไผหันหัว <c oughs> จากเคลื่อนตัวรี้าวมาไว้เต้าราจ้าหมวกจริงเกิดมาเป็นเก้าทะลาบต่อเต้าปัจจุบันนี้เลนะ นอาจารย์ผู้ใหญ่มาพร้อมไข่จอมกันเจ้าห่อฉันยอดซอยก่ก่าวถอยปัาหาตามตีวดาบุญใหญ่หากทำไว้จูพักการจุมอาจารย์ตั้งสี่บ่อแจ้งทีหันหุนตันใจตนนักแก่ บอ่ออาจาแกไปได้ดังดับไฟในธรรมมือจูกรมตันตาบอ่ออาจาะเกา่าเต่าดักอยู่ได้ได้เตา้าบุญภายทำทีก็บอ่อาอจีทุนสารเซนาคาอาจารย์ผู้เท่าแสงบอกเล่าตามราย ว่าคนยิงใจใหญ่น้อยตานบุญต่อยและตีจักยินดีจื่นสูบอกมีอยู่สักจังเต้าได้ฟังบรรกาวพิจากดาวกองทำจริ้งไร่คำที่บอกคือเขาบอกเกหาพิจารณาแถมใหม่มาบอกเต้าไทยเร็วปัน โอปักันบุนมบุรีปอกสูงเฮือนตนขึ้นไหลหยหนเสียงไข่บ่ออาจหูได้ดีหลีกันร้อยทีมารอดเทวดายอดบุญนาก็สําเดงกาญญาทาแล้วแล้วทำเต้าเจ้าหอใจว่าปัญหาใดนั่นใส เราทามไว้วันวาต้านพิจาราณากึด อ, ออกจุงจี้บอกมาฟันเจ้าหอจันยศแยวจริงต้านเก่าใครจ้าว่าจุงปัญหาดันเล่าเราได้เล่าปันหมยฮืนักผาดลายตั้งสี่ก็บอแจ้งทีหันหนตันพระาตนจูผู้ ว่าอดาาุวิสัตย์จารติวัดตันเก่า ว, วัดูระเต้าผููบานอันว่าสีอาจารย์นั้นไสหากเงาใบนํานาบ่มีผานาจักแก่เหือแจงแน่ตา ม, มีเวีนใจบุญมีหนมเนาคือมะโหสถเจ้ากุมาร ผู้จารนองอาจจบชาลาดนำนาอาจแก้ปัญหาฝูงนี่เือแจ้งที่หันใส่กันเจ้าหอใจที่รัดบอกเอาเจ้าน้อยนาขึ้นมาแก้ปัญหานี่ใส่เราจักเอาเล็กใหญ่ตีหัวเปลือตัวเจ้าฟ้าได้ความนามารนา ดุราผาญายอดเย้าตนภาพดาวเวียงใจตันละไฟเสียจอยไปเป่าหิงห้อยสามาถบ่อหอนปานจวบใดยังไฟกองใหญ่ดังไม้ใข่ได้น้ำนมลหลเลี้ยงต้องบ่อสั้นทองตามทำเอาท่าไหลคำด้วยรีบ แลออกเข้าบีบเข่างัวนนำนมหนัวนั่นใสจักออกได้สันใดเจ้าห่อใจหยดเงาผับแผ่นดาวธานีลุดดังมีอยู่ไกลป้อยสัตว์ไว้กลางหันเอามือต้นแตนเหล่าผิษแบบเอาโบราณจุมอาจารย์ตั้งสีบ่อแจ้งทีตึบตัน พระญามันหากหน้อยดังหิงห้อยสามานส่วนมโหสดเจียงคานหนุ่มนาวพระญามาเต้าเหลือใจดังลำไฟอันใหญ่ส่องแจง้งไข่ท่าดีกันเจ้าปุริี่ราชบอกเจ้าน้อยนาดขึ้นมา แก้ปัญหาเสียงขวายดังเราได้ปั่นไมยเต้าเตียงตายม้วยมางละเมืองกว้างบ่อสังกาเทวาดาก่าวแลวกกาดแก้วหายไฟก็มีหันและนาะ ราชามารยาภ า, าญัตตัดจิตตอันวาภาญาวิเตหาราชร้อนไม่มาดกลัวตายจริงคือคาลายกามากสีปัญหาเป็นทาราหือคนต่างตาแกวนใจขี่รถใหญ่เร็วปั่นคนละกันเป็นแก่น จะสั่งเด่นเป็นบายว่ากันหันใจกินกู่ยังจอดอยู่เดนใดฮือเอาคำใส่นั้นเล่าปั่นแก่เจ้าบัดเดียวแล้วจะเลียวเก่าฮือได้หูขี่าฮือขีรถม้ารีภาวมหาเราเต้าเร็วไว อามาเตรียมใจเก่นใจอันเต้าใสไว้ตั้งตนตั้งสี่คนเป็นกันขี่รถแลลนไปไว้ออกเพียงใจสีดาน <c oughs> ไปสู่บ้านไก่ตาเพื่อทำหาเสาะพ อ, อยังเจ้าหนอตะสะพนอามาตั้งตนยัดไห้ผูไปห่นไต้เวียงใจ เรียเปลวไว้บอจอต่อตอรอดตะขินะเยาวมัติจักามก่อหันเจ้าคิงรามน้อยหนอหนั่งปันโมและให้เจ้าจอมใจบุญใหญ่หันรถเต้าไทยพดมาก่อสัญญาหูรอดว่าจะพ้นขอดเครื่องขี่สำรันดีดังเกา่า ยาสะลาโอเจียงคานได้กินอาหารหลายสิ่งรสอหญยิงนานาอันอัมมารานอลาดาไวทายยปันนอขุนทันนุ่มดาวพงกินข้าวยามตอนยินอาวอนมนเศร้ากินแต่ข้าวแดงแดงหาอยังแกงบ่ได หันรถมาไกลกองตาก่อวางละก้อนเขาบวนปากเล่าบัดเดียวแล้วรีบเรียวนั่งท่าอยู่ต่อหน้ารอรา <c oughs> อามาต่างตามาไกลลงรถใหญ่บัดเดียวแล้วรีบเดียวมารอตีเจ้ายอดมุนน่นาอามาตนันนาอย่าปราย มันเป็นฝ่ายเสนักอาจารย์หันโนโปทิญานหนุ่มเน่าตัวมนเศร้าเสียสีปุ่นดินมีติดแปดพับควยแหวกกาญยามันจริงจ้าว่ายออส่งเจ้านอโปทิญานว่าเสนักอาจารย์ผู้ใหญ่ได้ว่าไว้เป็นไม้ ว่าเข้าของลายบายยัวไรยาสัใหญ่หรือซาดีกว่าพ้าญาลายแหล่หากมันแต่ดีดีตั้นพญาาดีองอาจ <c oughs> จบฉาลาดเหลือคนป่อเอตาุนป้านปอมาปั่นมอไข่กินย้อนอาจินขไข่ใดยังเงินบาไตคำขา สังบอกอ้าหยาด น, นเหลากินต่างเขาแหลง่ายเจ้าบุญภัยยอดซอยจิงตอบท้อยไขยจ่จ้าวาดุรามาต่างตาผู้ให ญ, ญ่เราไข้หันใสวากาละได้กวรภาคนีละจากปารา กะลาไดนาควรไกยังเต้าไทยผาปุรีเปืือรักสาสรียดใหญ่บ่ได้สูญหายือมีลายมักเต้านิ่งกว่าเก่าทมนานย้อนมีราญานี่ัยเราจักได้เป็นดีดังราชสี่ตัวองอาจเป็นสีหานาดังไก คือสัต์ในภยน้อยใหญ่สะตานไข่ดงรีกันหนอมูนียอดซ้อยเก่าสุดซ้อยกัมจาหมาต่างตาผู้เท่าก็บอกเล่าอาการตามเต้าผู้บท่ายศใหญ่อาตยาใสจำมาหือนอพุทธากินกู่ได้พมหูตามมี แล้วเอโโฮคำดีกะใหญ่นับอ่านใด้อปันยกยืนปันบอกเจ้าแก่เจ้านอลาบุญฝ่ายตนคำใจบุญใหญ่ก็รับไว้ตามธรรมแล้วใครกำบอกเล่าว่าดุราบาตเก้าเตรียมใจตันย่อมหันใส่แจ้งทีบอกมิติสังกาว่าพระญานี่นาพระเสด็จ เอลํามเลิดนานํากว่าเงินคําบาดไตกว่ายศักใหญ่ดีลีเงินคำมีมากเต้าหรือเป็นเต้าเจ้าปารามียอดนาสักใหญ่จักช่วยใดสันใดเจ้าห่อใจวิเตหราชญาสะอาดหรือสาเข้าของนามากเต้า ยำยำเขาตาจนยังเร่ร่นร้อนไมหื้อตันใดมาเอาอยัางตัวเรานี่เล่าไปบอกเล่าปัญหาและนะ <c oughs> ส่วนจใจจะราจางบอฟังถ้อยต่อจะใครบอสงสัยแต่เก้าว่าตัวแห่งเจ้าบุญมีเป็นเสนาบอดีหยดใหญ่ แห่งต่าไทยวีเตหราช้าปอมตนมาอยู่กล้ขามรับใจตัวมันอกเป็นควันวูร้อนใจสะต้อนสันระายกัวตดลายลำหมอกปากบอกเป็นคำนอคุณทำยอดซ้อยจริงก่าวถอยคำดีว่าคุณตานมีแต่ใส่ คือเราได้อาสะไลกินปัจจัยเข้าน้ำของอื่นรำแต่มีเรายินดีแต่โสด <c oughs> บอกคือตอดมาป้านหลอ่อโป้ที่ยานทีไว้ก็เอาคำกะใหญ่พอปันยื่นปันมันบ่จ้าฮื้อหันต่อหน้าบัดเดียว แลอาจาเลี้ยวต่อถอยมีบอ่อน้อยนาหน้าสั่งอำลาเมีนยนไขขึ้นรถใหญ่เรียวปันเพื่อภายพันขึ้นสู่ยังตีอยู่เวียงใจคุณเตรียมใจผู้เท่านำเอาเจ้าบุญมีเข้าปุรีรีพาวกันไปรอดดาวประตูคำ ก็คือเจ้าบุญนำนอลายังอยู่ทาบัดเดียวมันก็เร็วรีภาวไปไว้เต้าสับฟันเจ้าหอจันวีเตหราทันอามาตขึ้นมาจริงจักจ่าทำเลวดุราอามาตเก้าเตรียมใจ เออมึงไปส่ะพอยังเจ้านอมโหสถดกุมารผู้จะนั่นองอาจจบฉลาจูอันอันยังได้หันตามไปหรือบ่ได้สันใดตัวมันไปลี่ซ่อนอยู่ตีบอลได้จ้าคุณต่างตาผู้ใหญ่ก็น้อมใบทุนสา ลำดับมาแต่ตนติดสืบสนเถึงงปลายวาคาแด่เต้าบุญภัยปิ่นเก่าอันบามะโหสดเจ้าเจียงคาน <c oughs> ไปกาตำการปันโมตัวมณโซมัวดำไก้ได้ยินคำข้าเก่าก็ากรี้ามาปันข้าน้ำมันมาไว ที่จิมไก่ผาตูคำดินแดงดำติดแปดพับไข่แวดอินทีบ่อตันคัดสีล่างน้าบ่อตันเปลี่ยนผ้าขวใบเจ้าหอใจฟังแล่อใจพองแผวสมมานษาวากันมันปลาลากรยาบมักไขาภาพตนกู เป็นสัตว์หาวหาดดังสีนักผาดจะไรมันเตียงไปลี่ซ่อนอยู่ในบนไกาตามีโยธามากเต้าวังแวดเฝ้าเป็นปริวานมันป้อยเนี่ยการปันบอสืบเปลี่ยงตออินทีบ่อได้ดีผ่า้องไปอยู่เทือนทองไพรสน บอกมีริปนน้อยใหญ่มาอยู่ใกล้อาสาสีนักผาจาเก่าจี้บอกเมนตีกองทรรมเ <c oughs> จ้าหอ่อคำบีเตหาราชสุดเสียงขาดสงสัยจริงจะใครบอกเราแก่อามาดเก้าเตรียมใจว่ามึงจุ่งไปเกาอู บอกเจ้ากินก๋วคำใจเฮอพันภายขึ้นสูญที่อยู่เกหาจำระกาญญาพร้อมผ่ำคืออาบน้ำคัดสีเปลี่ยนขวดีผ้าใหม่ผ้าดับยศใหญ่ดังอ้อนแล้วรีบจอยยาเจ้าให้เราหันหนาเร็วไว คุณเตรียมใจผู้เทาก็ไปบอกเจ้าตามาำนอคุณทําฟังแล้วใจฟ่องแผวเลือลายรีบพันภัยขึ้นสู่ยังที่อยู่เฮือนตนจุมหมู่คนน้อยใหญ่ตั้งนางดาทัยอมมาราหันนอพุทธากินกูปอกมาสู่เฮือนตน ทางรีร่นวากวังแวดไว้จูป้ายตุกโศกลายแต่ก่อนก็หายพอนบัดเดียวเจ้าก็เรียวรีพ่าวตามกำเต้าไขปันรีภายพันย้ายบาทขึ้นภาศาสหอคำย่อมือตั้มต่างเกาไวเต้าเจ้าปุรีก็มีวันนั้นแหละนะ เนธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจยาห้องเหตุมะโหสถผูกสิบเอ็ดกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล